นในทศนะของสามันมนุษย์ลิขิตของพระผมผู้เป็นเจา้าอาจจะดูไม่ยุติธรรมแต่ในฐานะพระผู้เป็นเจา้าผู้ยิ่งใหญ่ได้สาละโลกพระองค์ยอมจะไม่ต้องทำอะไรโดยปราศจากเหตุผลพระองค์คงจมีเหตุผลของพระองค์เอง ในการกำหนดวิถีชีวิตของคนให้เป็นไปต่างๆกันแต่ว่าปัญญายาณอันจำกัดของมนุษย์ไม่สามารถจะหลงรู้ถึงเหตุผลของพระองค์ได้ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าท่านจะมีเหตุผลอะไรเป็นส่วนพระองค์ข้าพเจ้าทราบดีว่าการกระทําของพระองค์เป็นอคติเพระพระองค์กําหนดให้ชีวิตตอนนี้ของข้าพเจ้าเองไปด้ทุกข์ ในขนาดที่ชีวิตของผู้อืน่นเต็มไปด้วยฉุกขอเชิญท่านนําพระพมผู้เป็นเจ้าของท่านกลับไปเถิดข้าพระเจ้ายินดีที่จะสู้ทุกเล่ห์ตนเองดีกว่าจะขอความช่วยเหลือจากพระพมผู้เป็นเจ้าผู้ไร้ความยิ่ติดธรรมของท่าน ท่แต่ท่านผู้ทรงพหลังจากได่พยายามหานักปราดและใช้อุบายต่างๆในการช่วยบรรเทาทุกข์แก่ข้าพเจ้าไม่ได้ผลแล้วบิดากหกหมดท้นทางและหมดปัญญาท่านไม่ทําอะไรอฝากความหวังให้กับการเวลาเพีงยงอย่างเดียวเพราะเชื่อว่าถ้าสิ่งใดไม่สามารถจะช่วยได้การเวลาย่อมช่วยได้ข้าไม่รู้สึกว่าจะเป็นคข้อผิดเพอสังเกตดูตัวเองเห็นว่า ความทุกข์ได้ลดน้อยลงตามวันเวลาที่ผ่านไปแม้ว่าจะลดลงเพียงวันละเล็กละน้อยก็ตามข้าพเจ้าก็พูดภาษายืดยาวจนคลึ่นคลืนเขาเ้าไปก็ยังไม่ได้บอกท่านถึงสาเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้าจากบ้านเมืองเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์ท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยมาจากการเดินทางปรารถนาจะพักผ่อนหลับนอนเอาแรงมากกว่าที่จะฟังเรื่องราวอันยืดยาวของข้าพเจา้าไม่เป็นไร ห, หรอกอุบาสก อาตมาไม่รู้สึกเหนิดเหนือยแต่อย่างไดเรื่องราวของท่านเป็นที่น่าสนใจไม่น้อยอาตมาค่าจะขอฟังต่อไปข้าพเจ้าดีใจที่ท่านไม่เบื่อฟังเราต่อไปเถอะอุบาสกท่านสมณะพุทธเจริญเย็นวันในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังตกอยู่ในห่วงมหันตทุกนั่นเองท่านปุณกกะเศรษฐีซึ่งเป็นสหายสนิตของบิดาได้มาเยี่ยมข้าพเจ้า ดีดาของข้าพเจ้าได้เล่าความทุกข์ของข้าพเจ้าและอุบายต่างๆที่ท่านเคยทํามาเพื่อบรรเทาความทุกข์ของข้าพเจ้าให้ท่านปุรดการเฉลี่ยฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้มจนจบเรืปเป่องเรื่องยี่และสหายไม่ว่าใครต่อใครหลายคนแล้ว ไม่สามารถช่วยบุตรชายข้าพเจ้าได้สหายแล้วพอจะช่วยได้บ้างไหมสหายได้ข้าพเจ้าช่วยอะไรห่ืบอกมาเถอะช่วยได้ข้าพเจ้าก็จะช่วยท่านพอจะรู้จักหรือได้ข่าวว่ามีสีมูดีที่ไหนบ้างที่จะฉลาดในอุบายวิธีบรรเทาทุกข์สามารถช่วยเทศนาขจัดทุกข์ของลูกชายข้าพเจ้าได้บ้างเดี๋ยวขอให้ข้าพเจ้านึกดูก่อน พยายามนึกดูให้ดีอ๋ อ, อนึกได้แล้วมีใช่ไหมไม่จตกรุงรจากเครดนะครหลวงแห่งมคธรัชมีพระมหาหมุนีองหนึ่งนามสมณะโคโนพระองค์เรด็จออกบรรพชาจากสากยาสกุลแห่งสกะธนบทพระองค์นั้นทรงเป็นพระอาหารสัมมาสัมพุทธะเทียบพร้อมด้วยพระปัญญาคุณ พระองค์ทรงทราดในเทศนาวิธีและอุบายในการระงับุกเป็นยอดไม่มีศาสาดาใดในัมพูทวีจะเสมอเหมือนเป็นคู่หากริงเหือดนีพผู้เฉยๆท่านคงไม่เชื่อนะอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ท้าพระเจ้าจะเล่าเรื่องบางเรื่องซึ่งเจับตัวท่านให้ท่านฟังเธอก็ดีเสิอ่ะเล่าไปเลยสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่พระเทตะวันมหาวิหารใกลน้กคนครสาวัตถีสมัยนั้นมีกิดาแห่งเศรษฐีในเมืองสาวัตถีคือปัจจารจานางในหญีตามทาาชายของสนไปอยู่ในชนบทด้วยอำนาจแห่งความรักการเวลาผ่านไปจงกระท่งไม่บุกหนึ่งคนและกำลังตั้งคันบุตรคนที่สองตอนจะครบกำหนดคลอดอยู่แล้ว เขาทั้งสองจึงตัดขินใจการขิงใจทําอะไรเดินทางมาสู่ตะปูนของบิดามารดาบิดามารดาของฝ่ายหญิงถูกแล้วเราต่อไปเถอะขณะที่เขาทั้งสองน่ะบุตรน้อยเดินทางมาถึงกลางป่าใหญ่ก็พอดีเป็นเวลาใกล้ค่ำขณะนั้นเกิดลมพายุใหญ่ส่งเสียงโอ้อ้าหน่าหวาดกลัว ไม่ทราบผมก็หลายหลังเทลงมา แค่ติ่โหดร้ายแค่ดูคินนี้อาอ า, อ า, อานี่พวกมันยากบนมื้นนลำพังเราสองคนทมนไเท่าไรแต่โลกวีกิตโลกของเราพี่แกหลับให้รู้เรื่องเมันออยา่างนั้นคงรบพนจะไม่ต้องทำอะไรเมื่อไรจะหายกทีนะฝนแกหยุดยากคุณตกหนักไปที่คืน ไ, ไ, ยไลยเราจะทำยังไงล่ะพี่ท่านแถวนี้ก็ไม่มีที่รบพนซะด้วยดิก็เห็นแต้องาไมากฝนนทั้คืน่ะ คนได้เนื้ได้ข้าพเจ้าทำได้แต่โ oh อ <oh ้ยเจ้าไปร้อ่ะโอ้ยขเจ้าเจ็บอเจ็บท้องหมายความว่าพวกเราคงออกมาดูโลกตอนนี้อ๋ยตายแล้วจะทำยังไงกันดีลเนี่ยนี่ทำที่กาบังผลให้ก็เธอเราจะจัดการอยู่เนี่ย จะไงต่อไปละ่ะท่านปุณหกะสามีก็ถือมีดเดินเข้าไปในป่าด้วยความร้อนใจแต่พอมาถึงจอมปลวกแห่งหนึ่งก็ถูกงูใหญ่เลื้อยออกมาตัดถึงแก่ความตายแล้วพัญญาละ่ะนางปัญจาลาตกรอดหมดออกมาท่ามกางสายผลนั่นเองน่าสงสารเออด้วยยังไงต่อไปอีกละ่ะช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อลมและฝนหยุดแล้วหนาก็อุ้มบุตรทั้งสองก็ไปในป่าเพื่อตามหาสามี ในที่สุดก็พบร่างปลาสจากวิญญาณของสามีนอนอยู่ข้างๆจอมปลวกนางก็เสียใจร้องไห้แล้วก็อุ้มบุรเดินทางต่อไปพอวนป่าก็มาถึงแม่น้ำแห่งหนึง่งน้ำขึ้นเออเต็มฝั่งขณะนั้นนางก็ยังอ่อนเพลียอยู่เนื่องจากการคลอดบุตรจึงไม่สามารถพาบุตรทั้งสองลุยน้ำข้ามไปพร้อมกันทั้งสองคนนางก็จึงเอาบุตรคนแรกวางไว้บนฝั่ง แล้วก็แบก บ, บุตรคนโตลอยน้ำข้ามมาจนถึงอีกฝั่งหนงแล้วก็บอกให้บุตรคนโตคอยอยู่ที่นั่นแล้วนางก็ลอยน้ำข้ามมาเพื่อจะรับบุตรคนเล็กแต่ขณะที่นางกำลังอยู่กลางแม่น้ำนั่ น, นี้นนก็มีเหตุการณ์อนาตื่นเต้นเกิดขึ้นเหตุคาลณ์อะไรตื่นเต้นฮะขณะนั้นนกเหยี่ยวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งบินวนเวียนหาเองอยู่แถวนั้นเลือกม่เห็นลูกคนเล็กของนาง น, นอนอยู่ริมฝักเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อ ถึงโฉบลงมาโฉบเอาไปได้ไหมได้น้าทำยางไยน้าจึงต้องเสียงร้องไล่เยว่จนสุดเสียงแต่ก่อนไร้ผลฝ่ายบุคคลโตได้ยินเสียงแม่ก็ขอาใจว่าแม่ร้องเรียกให้ไปหาจึงวิ่งลงสู่แม่น้ำถูกกระแสน้ำเกี่ยวกะลาพัดพาจมหายไป ควาทุกข์เพราะสูญเสียสามียังไม่หายความทุกข์เพราะสูญเสียบุตรล้อยทั้งสองก็ประดังกขมายจนเหลือที่ดวงใจใ น, น้อยๆของนางจะทนทานไดน้นาจึงร้องไห้เดินทศตัวถวยคล้ายทนบ้ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีเพื่อไปหาที่พึ่งสุดท้ายคือบิดามารดานในระหว่างทางโจรจะถึงนครสาวัตถีนั่นเอง เจ้าเครู้จักกรรมกรใช่ไหมถูกแล้วท่านคือปตาจาราไท่ไหมใช่ดีใจจริงๆที่ได้พบท่านมาได้พบกันส้นนานทีเดียวนะนั่นสิท่านหายไปเส้านนานแต่ก็ข้าพ เ, เจ้ากลับมาแล้วจะไม่หายไปไหนอีกออบิดามารดาข้าพเจ้าสบายดีเหรอออย่าถามพึ่งท่านเลยยังมาสบายใจอยู่ตรงทางเดิมนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านน้อสองเหรอกรุณาเชื่อแบบข้าพเจ้าเร็วหน่อยเถอะเมื่อคืนมี่นะสิ เกิดพายุฝนขนาดใหญ่ประสาทของทาง่านเศรษฐีพังทลายลงมาประสาทพังทะลายยูบิดามันดาเขาไเจ้าลยท่านเศรษฐีพร้อมทั้งภรรยาและบุตรชายคนเดียวถูกประสาทพังทับถึงแก่ความตาย ครั้งกันนี้นางปตาจราก่อนถึงอาการมีปรลาดไม่สามารถจะเข้องสติสัมปชัญญะไว้ได้ต่อไปแม้เสื้อพ้าจะลุดลุ่ยออกไปจากตัวก็ไม่รู้สึกนางได้เดิน ก, กระเซอก็เซิงมทมงสารไปทีต่างๆเด็กตัวอันเปล่าเปลือยมอมแมมพูดเป้อรำพันฟังไม่ได้จับบางครั้งก็หวนล้อบางครั้งก็ร้องไห้ในว่าเธอจะไปไหนจะมีเด็กฝูงใหญ่เดินตามล้อเรียนเหงาแย่เป็นทต่สนุกสนาน โอ้โหล่าสงสารบ่ายวันหนึ่งขณะที่พระบรมศาสดาสมนณโค ด, ดมกำลังทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทอยู่ที่วิหารเจรษวันนาควตตาจราหญิงบ้าก็มาถึง เลยปล่อยให้เธอเข้ามาหาเราเถอะพระบรมศาสดาบอกให้ปล่อยนานเข้าไปมีใครเลยสคนล่ะจะมีกยโยนเสื้อผ้าให้เธอใส่บ้างหลีกทางให้เธอเข้ามาไปเรียก้าแล้วหถี ปาตาจราเอ๋ยขอให้เธอจนได้สติสมัญญยะกลับคืนมาเถออย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยอันน้ำในสมุทรสาครทั้งสีถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกับน้ําตาที่เธอหลั่งออกมาเพราะการสูญเสียคนรักของรักตลอดเวลาอันยาวนานที่เธอท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรก็ยังนับว่าน้อยนัก พระดำหลักเพียงเท่านั้นเองนางปัาตากาลาก็กลับได้สติและบัญญะต่อมาภายหลังเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาเพิ่มเติมอีกนางก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์และได้บวชเป็นนางพิษุนีสหายเอิญจากเรื่องสบายเจ้าเรามานี้ท่านก็คงเห็นแล้วว่าพระบรมศาส ด, ดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรงตลาดไอเทจนาพิธีเพยียงใดแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งแสดงถึงทัพปีชาของพระองค์ซึ่งขระเจ้าได้สะดับมาถ้าสาหัสาสนาจะฟังขบะเจ้าก็ยินดีจะเล่าหเหอเล่าไปเธอะสะหายข้าพระเจ้าแท้กเกิดความสนใจในพระบรมศ า, าสานาโอริสแล้วเมื่อไม่นานมานี้ข่าวใหญ่ที่แพร่ส ะ, ะพัดไปทั่วชมพูทวีก็คือข่าวองคุริมาน โจนผู้ยินดีในการฆ่า ม, มนุษย์ผู้มีมือทุ่มด้วยเลือดตลอดการผู้ตัดเอานิ้วมือคนร้อยเป็นพวงมาลัยสวมคอก็พระบรมศาสตร์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เองเป็นผู้ปราบมหาโจรผู้นี้ให้สิ้นปรพยชน์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ปราบด้วยกำลังรีพลหรือสัตราอาวุธใดๆทั้งสิน้นเงินพระองค์ปราบด้วยอะไรพระองค์ปราบด้วยพระดํารัสเพียงไม่กมี่คํา เรื่องเป็นอย่างไรเรื่องไม่อยู่วาวันหนึ่งคณะอีองคุรีมานฆ่าคนมาแล้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนยังอีกเบี้ยงคนเดียวก็จะครบพันแล้วเขาก็จะเลิกฆ่าและก็วันนั้นเอง พระมาหากษัตริย์เตรียมส่งกองทัพไปปราบฝ่ายมารดารู้กลัวว่าลูกชายที่รักจะเป็นอันตรายถึงชีวิตถึงแอบเข้าไปในป่าเพื่อจะพบลูกชายแล้วแจ้งข่าวให้รู้แต่พระบรมศาสดาจงราเดื่อยพระญาณว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปช่วยองคุริมารผู้เมา ม, มันขาดสติสัมปชัญญะขาดเหตุผลอย่างชิ่นเชิงจต่ข่าแม้กระทังบารดาของตัว เมือ่อสงลำริเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็เสเด็จเข้าป่าที่องค์ุริมานต่อนตัวอยู่เมื่อองค์ุริมานเห็นคนแปลกหน้าเดินมาก็ดีใจเพราะคิดว่าจะได้หนีครบหลันก็ว่าได้ดับอาวุธคู่มือแล้วก็ออกวิ่งไล่ทันทีแต่ด้วยอํานาจพุทธานุภาปรากฏว่าองค์ุริมานวิ่งจนเหอออนื่อยอ่อนก็ไม่สามารถจะไล่ทันพระองค์ได้ในที่สุดก็ตะโกนเรียกหยุดก่อน หยุดก่อนพระองค์นั้นจะหยุดเดี๋ยวนี้เราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดท่านพูดมูสาก็ท่านยังวิ่งอยู่แต่ว่าหยุดได้ยังไงเราหยุดแล้วจากบาปอากุศลทั้งปวงส่วนท่านยังไม่หยุดทําบาป ด้วยพระดำรัสเพียงเท่านั้นองคุริมานก็ได้สติสัมปชัญญะกลับคืนเขาโยนดาบและพวงมาลัยนิ้วมือมนุษย์ทิงแล้ววิ่งก็ไปถาวายอภิวาทพระพุทธเจ้ามอบตัวเป็นสาวกสหายเอ้ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแสดงให้เห็นวิธีเทศนาอันยอดเยี่ยมของพระองค์แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งแสดงให้เห็นถึงวิธีแก้ทุกอันชานฉลาดสหายจะฟังไหมได้ ฟังสิท่านเล่าไปเถอะเรื่องมีอยู่ว่าบุตรน้อยคนเดียวของนางกีสาโคตมีได้ตายลงนางเสียใจรอ้องไห้อุ้มร่างปราจจากวิญญาณของบุต ร, บรกระเจาะกระเริงไปในที ต, ต่างๆพบใครก็ออกปากข อ, อยาสาหรับมาชุบชีวิตบุตรของตนในฟืน้นคนทั้งหลายก็ต่างหัวเราะยอ้อการกระทำอันวิปลาสของเธอจองกระทั่งวันหนึ่ง นาก็ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอยาตามคือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ายา น, านาั้นน่ะมีมีฟังให้จบจกกเถอะก่อนแล้วเล่าไปเถอะพระพุทธองค์ตรัสว่ายา น, านาั้นนมีและยานั้นจะต้องมีส่วนผสมของเมล็ดพันธ์ถ ก, กาศจากตะกูลที่ไม่มีใครตายเลยขอให้นางไปเที่ยวขอเมล็ดพันธ์ถักกาศจากตะกูลที่ไม่มีใครตายมาก่อนแล้วพระองค์จะประกอบยาให้ นางก็รีบอุ้มศพลูกตะเวนขอเมล็ดพัน์ประกาศจากเรือนนี้สู่เรือนโน้นเร็วได้ไหมไม่ได้ทำไมทุกบ้านล้วนจะมีคนตายทั้งนั้นในที่สุดนางก็กลับมาเฝ้าพระพุทธองค์ือมือเปล่าพระองค์ก็ได้แสดงธรรมให้เธอฟังเธอก็คลายความโศกได้ภายหลังก็ได้บวชเป็นพิษุนีและก็บรรลุพระอรหันต์ ถ้าแต่ท่านผู้สรงพลหลังจากได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วข้าพเจ้าก็เกิดความสนใจในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเกิดความปรารถนานแรงกล้าที่จะไปพบพระองค์และขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังเมื่อสืบทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่พระเวลุวันกรุงราชคฤึกข้าพเจ้าจึงลาบิดามารดาออกเดินทางมาบิดามารดาข้าพเจ้าก็อนุญาตด้วยความยินดีและข้าพเจ้าก็ได้มาพบท่านในวันนี้ พรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะรีบไปพบพระองค์ทันทีอุบาสกความทุกข์ของท่านนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องน่าเห็นใจผู้ประสบทุกข์หนักด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งแต่ถ้าจะพูดกันด้วยความเป็นธรรมแล้วทุกข์ของท่านคงไม่มากไปกว่าทุกข์ของนางปตาจาราที่ปุณกกะเศรษฐีเล่าให้ท่านฟังทำไมท่านพูดอย่างนั้นล่ะอาตมาพูดเช่นนั้นก็เพราะว่า ความสูญเสียของท่านน้อยกว่าการสูญเสียของนางปตาจาราท่านสูญเสียพัญญาสุดที่รักเพียงคนเดียวแต่นาปตาจาราสูญเสียสามีสุดที่รักสูญเสียบุตรที่รักทั้งสองคนสูญเสียบิดามารดาและสูญเสียพี่ชายพูดถึงปริมาณแห่งความทุกข์ทุกของท่านดูเหมือนจะน้อยกว่าทุกขของนางปตาจาราเพราะว่านาปตาจารา ถึงกับเสียสติสัมปชัญญะกลายเป็นคนวิกลจริตไปแต่นางยังสามารถประคองสติสัมปชัญญะของตนได้เป็นอย่างดีแสดงว่าทุกของท่านยังน้อยกว่าของปตาจาราและคนอื่นอื่นอีนอกมากนกะท่านพูดอย่างนี้หมายความว่ายังมีคนอีกมากมายอย่างนั้นเหรอที่ประสบทุกอย่างข้าพเจ้าหรือร้ายแรงยิ่งกว่าข้าพเจ้าแน่นอนทีเดียวอุบาสก ท่านไม่ได้ประสบทุกข์เพียงผู้เดียวตามลำพังมีเพื่อนร่วมทุกขออกเต็มโลกในขณะที่เรากําลังสนทนากันอยู่นี้ยังมีคนอีกนับประมาณไม่ได้ในชมพูทวีปกําลังร้องไห้คร่าครวญอย่างน่าเวทนานด้วยความทุกข์อาตมาเองก็กําลังประสบทุกขท่านกําลังประสบทุกและคนอื่นๆก็กําลังประสบทุกขก็เมื่อเรามีเพื่อนร่วมทุกมากมายเช่นนี้ เราจรึงไม่ใช่รายพิเศษที่เคราะห์ร้ายกว่าคนอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์จึงไม่ใช่ของแปลกอะไรแต่เป็นของธรรมดาที่ทุกคนจะต้องประสบทุกทิกทวาราตรีจริงของท่านพระบรมศาสดาของอาตมาตรัสไว้ว่าชีวิตของสัตว์ไม่เคยว่างเว้นจากความทุกข์ทุกนั้นมีอยู่ด้วยกันสิบประการทุกสิบประการ มีอะไรบ้างทุกสิทประการนั้นมีนิพพัทธุทุกได้แก่ทุกเนื่งนิดอันเกิดแต่ความร้อนหรือหนาวของอากาศประเดี๋ยวร้อนก็หาสิ่งมาพัดเป่าให้เย็นประเดี๋ยวหนาวก็ต้องโหมผ้าดินฟ้าอากาศไม่มีวันพอเหมาะพอดีสําหรับมนุษย์อาจจะมีบางขณะที่รู้สึกว่าพอดีแต่ก็คงอยู่ไม่นาน ก็เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นถ้าดินฟ้าอากาศพอดีก็ใช่วัยจะพ้นจากนิพพัทธธุกยังจะต้องทุกข์อะไรอีกละ่ะความหิวความหิวความหิวเกิดขึ้นรบกวนตลอดเวลาต้องรับประทานอาหารแก้หิววันละสามสี่ครั้งจริงสินะพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าความหิวเป็นโรคอย่างหนึง่งและเป็นโรคที่หนักมากโรคอย่างอื่นเมื่อเกิดขึ้น เรากินยาแก้ก็าหายไปเป็นเวลาหลายเดือนหรือว่าหลายปีแต่โรคหิวนี่สิเราต้องแก้กันวันละสามครั้งเราต้องแก้จนกระทั่งวันตายและยังมีอีกโรคหนึ่งนับว่าร้ายแรงพอๆกันโรคอะไรเหรอท่านโรคกระหายโรคกระหายถูกแล้ว โรคกระหายนี่นับว่าร้ายแรงพอๆกันกับโรคหิวเราต้องดื่มน้ำแก้โรคกระหายวันละหลายครั้งเช่นเดียวกันในขณะที่ไม่หิวไม่กระหายก็ใช่ว่าจะพ้นจากนิพพัท ธ, ธุกแม้บุคคลจะมีร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็หาได้ปลอดภัยจากความเจ็บไม่ความเจ็บปวดย่อมประจำอยู่ทุกส่วนสั์ของร่างกาย นั่งนานเกินไปก็เจ็บต้องนอนแก้นอนนานเกินไปก็ต้องยืนยืนนานเกินไปก็ต้องเดินวันหนึ่งวันหนึ่งเราเปลี่ยนอิริยาบถไม่รู้กี่ครั้งไม่ใช่เพื่อความสุขสบายแต่เพื่อบรรเทาความทุกข์แม้ว่าจะไม่มีความเจ็บปวดในความปวดอุจระปัสวะแต่ก็รบกวนเราอยู่เสมอต้องคอยระบายมันออกมาเป็นครั้งคราว เพื่อบันเทาทุกอุบาสกเอ่ยเพียงแต่นิพพัทุกอย่างเดียวท่านก็จะเห็นได้แล้วว่าสังขารร่างกายของเราเป็นรังของทุกขอย่างไรข้าแต่พูดส่งสินเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ฟังความจริมข้อนี้แต่ก่อนข้าพเจ้าไม่เคยคิดไม่เคยเอาใจใส่จึงไม่คิดว่ามีความทุกข์นอกจากคราวที่เจ็บปวดมากมาและไม่มีทางบรรเทา เช่นปวดอุจรมากๆในสถานที่ที่ไม่มีที่ถ่ายเป็นตน้นข้าพเจ้าเพิ่งจะทราบตัวนี้เองท่านบรรยายทุกประการอื่นๆต่อไปเถอทุกประการต่อไปก็คือพยาธิทุกพยาธิทุกพยาธิทุกขได้แก่ความเจ็บปวดทรมาน รโครคภัยไข้เจ็บนานาชนิดรวมทั้งความขัดข้องไม่สะดวกสบายอันเกิดจากความชำรุดเสียหายของอวัยวะบางส่วนเรียกว่าอวัยวะบางส่วนเกิดการชำรุดจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ต่อไปเถอะท่านผู้ทรงศีลพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าร่างกายของคนเราเป็นรังของโรคอวัยวะแทบทุกส่วนของมนุษย์ ย่อมมีโรคภัยและเจ็บปวดประจำอยู่เป็นคู่กันเช่นตาก็มีโรคตาหูมีโรคหูจมูกมีโรคจมูกฟันมีโรคฟันไตก็มีโรคไตเป็นต้นมนุษย์แทบทุกคนมีโรคชนิดใดชนิดหนึ่งประจำตัวซึ่งกําเริบขึ้นในบางครั้งสงบเป็นบางคราวไม่มีใครเลย ที่จะปราศจากโรคภัยทุกชนิดอย่างสิ้นเชิงถ้าใครไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเลยผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าลาบอันประเสริฐเพราะพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งท่านผู้ทรงศิลอันพยาธิทุกนั้นข้าพเจ้าพอจะมองเห็นได้ชัดเพราะตัวเองก็ถูกพยาธิเบียดเบียนอยู่เสมอเป็นครั้งคราวข อ, อนิมนต์ท่าน บรรยายทุกประการต่อไปดูก่อนอุบาสกทุกประการต่อไปเรียกว่าอาหารปริเยตะทุทกได้แก่ความประ ก, กรรมลำบากในการประกอบการงานหาเลี้ยงชีพเพื่อสแสวงหาปัจจัยต่างๆมาบำรุงเลี้ยงตนบุตรพัญญาบิดามารดาและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที่บุคคลจะสแสวงหาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรงกายแรงวาจาและแรงใจงานบางชนิดต้องเสี่ยงอันตรายต้องต่อสู้ดิ้นรนจนบางทีก็ต้องถึงแก่ความตายเพราะการสแสวงหาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องน่าสนใจมากท่านผู้เจริญกรุณาเล่าต่อไปเถิดทุกประการที่สี่เรียกว่าสภาวะทุกหมายถึงอะไรท่านผู้เจริญ สภาวัตถุหรือทุกประจําสังขารแต่แก่ความทุกทรมานอันเกิดจากความเกิดความแก่ความตายเดี๋ยวก่อนข้าพระเจ้าสงสัยอุบาสกสงสัยอะไรข้อที่ว่าความแก่ความตายเป็นเหตุให้เกิดทุกนั้นข้าพระเจ้าพอจะมองเห็น แต่ข้อที่ว่าความเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกนั้นข้าพระเจ้ายังมองไม่เห็นเพราะตามปกติชาวโลกย่อมถือว่าการเกิดเป็นการได้ลาบเป็นมาหามงคลเป็นโอกาสที่ควรยินดีปรีดาคณะวรรณพราหมย่อมมีพิธีฉลองการเกิดตั้งแต่ทราบว่านางพรามณีตั้งครันครั้งแรกทีเดียวเรียกว่าคารพาศพนักเมื่อมีเคลื่อนแสดงว่าทาลกในครันจะเป็นเพศชาย ก็มีวิธีปุงสวรรคเมื่อถึงเดือนที่สี่ที่หกและที่แปดก็มีพิธีตัดผมมานดาเมื่อทารกคลอดออกมาก็มีพิธีชาตกรรมผู้ประกอบพิธีและร่วมพิธีต้องมีจิตใจร่าเริงเบิกบานเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงไม่เข้าใจว่าที่ว่าความเกิดก็ให้เกิดชาติถุกที่ท่านสงสัยนี้ก็นับว่าควรแก่เหตุผลแล้ว เพราะความรู้สึกและประเพณีของชาวโลกแสดงว่าความเกิดทําให้เกิดสุขมากกว่าทุกข์แต่เราจะใช้ความรู้สึกและประเพณีโลกเป็นเครื่องตัดสินความจริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ได้ความเห็นของคนหมู่มากอาจจะผิดได้เช่นเกี่ยวกับความเห็นของคนคนเดียวพระบรมศาสดาของอาตมาทรงแสดงว่าความเกิด เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหตุผลอาจจะ